สวัสดีแฟนๆชาวสัมผัสสยองทุกคนปลายเดือนตุลาคมนี้ก็เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวกันแล้วนะครับแถวๆบ้านแนปมินอากาศช่วงเช้าก็เริ่มเย็นขึ้นมาบ้างแต่อากาศช่วงสายๆก็ยังคงร้อนอยู่เหมือนเดิมแม้ว่าจะเป็นทางภาคเหนือเองก็ตามไม่รู้ว่าปีนี้จะหนาวกันแค่ไหนนะครับถ้าจําไม่ผิดปีที่แล้วจะมีช่วงที่หนาวมากๆอยู่แค่สามสี่วันนอกนั้น กแทบจะไม่ได้ใช้เสื้อกันหนาวกันเลยหวังว่าปีนี้อากาศจะเย็นสบายจะได้ไม่ต้องทนทรมานกับความหนาวไปทำงานหรือไปเรียนกันต้นเดือนหน้าพฤศจิกายนน้องๆก็คงจะทยอยเปิดเทอมกันแล้วก็ขอให้ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่และถ้าหากมีเวลาว่างก็อย่าลืมที่จะเข้ามาฟัง เรื่องเล่าจากสมัมผัสสยองของเราด้วยนะครับสมัมผัสสยองขุมเจา้าบ้านในวัง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งเข้ามาโดยคุณบูซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปีพศ2535ถึง2541ถ้านับจากระยะเวลาย้อนกลับไปแล้วมันก็เกิดขึ้นเมื่อราวๆ20กว่าปีก่อนคุณบูได้เล่าว่าสวัสดีครับผมชื่อบูเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้มาจากชีวิตจริง ที่ผมประสบพบเจอมาผมเป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดแต่ตอนอายุเจ็ดขวบก็ได้ย้ายบ้านไปอยู่ที่อําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครอบครัวผมเป็นครอบครัวใหญ่เพราะยายมีลูกอยู่สี่คนโดยมีแม่ผมเป็นคนโตสุดคนที่นั่นจะเรียกบ้านยายผมว่าคุ้มเจ้าเนื่องจากยายของผมเป็นหม่อมเจ้าที่คุ้มนี้ ก็มีเรื่องราวแปลกๆอยู่จนเมื่อถึงช่วงที่ผมโตแลว้วได้ไปสืบประวัติมาก็ได้รู้ว่าก่อนที่ขุ้มเจ้าจะถูกสร้างขึ้นเคยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุาราวๆาว 13-15 ปีเธอชื่อว่าน้อยวันหนึ่งน้อยได้มาเล่นน้ำลำธารตามลำพังโดยไม่ทันสังเกตเห็นว่าสภาพอากาศในตอนนั้นกำลังแปรปลวน เนื่องจากกำลังจะมีพายุฝนน้อยไม่รู้เลยว่ากำลังจะมีภัยร้ายคืบคลานเข้ามาฝนเริ่มตกและก็ตกหนักขึ้นเรื่อยแต่น้อยก็ยังคงเล่นน้ำไปตามประษาเด็กๆยิ่งฝนตกก็ยิ่งชอบฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องทำให้ระดับน้าในลาธารสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพอน้อยเริ่มรู้ตัว จึงพยายามที่จะรีบขึ้นฝั่งแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นขณะที่น้อยกําลังว่ายน้ําและก้าวขาเหยียบลงพื้นข้อเท้าของน้อยก็ได้ไปติดอยู่ที่เศร้าหินอย่างพอดิบพอดีในที่สุดระดับน้ําก็สูงขึ้นจนท่วมหัวของน้อยทําให้น้อยเสียชีวิตในที่สุด เมื่อทางญาติของน้อยได้ทราบข่าวนี้ก็เสียใจเป็นอย่างมากและให้ผู้คนช่วยกันดึงศพน้อยออกมาก็เห็นว่าที่ข้อเท้าของเธอนั้นมีร่องรอยของบาดแผลซึ่งคาดว่าเธอคงพยายามจะดึงเท้าออกและดิ้นอย่างทุรนทุรายด้วยความทรมานโดยที่ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของเธอหรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงเลยในตอนนั้น เมื่อทุกคนนำศพของน้อยขึ้นมาได้แล้วก็ได้มีการนำศพของน้อยไปทำพิธีทางศาสนาแต่ว่าวิญญาณของน้อยกลับไม่ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่ในบริเวณที่เสียชีวิตนั้นวันดีคืนดีก็จะมีผู้คนเห็นเธอตัวเปียกร้องไห้ห ย, ยุดตรงนั้นตลอดจนไม่มีใครกล้าผ่านไปแถวนั้นเลยแม้ในเวลากลางวันก็ตาม วันเวลาผ่านไปยายของผมก็ได้ไปซื้อที่บริเวณนี้สร้างบ้านหรือที่เรียกว่าคุ้มเจ้านั่นแหละพอมาอาศัยอยู่ที่นี่ก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นซึ่งคนที่เจอก็เป็นพี่ชายของผมเองครับเนื่องจากบริเวณวังที่ดอยสะเก็ดใหญ่มากมีบ้านอยู่หลายหลังหนึ่งในนั้นก็เป็นบ้านที่พี่ชายผมพักอยู่เป็นบ้านไม้ ที่มีห้องใต้หลังคาบรรยากาศตอนเย็นของที่นี่เย็นสบายมากช่วงเย็นแก่ๆของวันหนึ่งขณะที่พี่ผมกำลังชูแขนบิดขี้เกียจหายใจลึกๆแล้วกำลังจะถอนหายใจก็มีเสียงถอนหายใจออกมาทาั้งๆที่พี่ผมยังไม่ทันได้ถอนหายใจเลยเสียงนั้นมันเป็นเสียงเด็กและเป็นเสียงเด็กผู้หญิงเสียด้วย พอพี่ผมได้ยินกะลุกวิ่งพร้อมกับทรงเสียงร้องลั่นบ้านเขาวิ่งไปบ้านอีกหลังที่คนอยู่เยอะๆส่วนผมนะเหรอตอนนั้นก็อยู่ในช่วงอายุประมาณ78ดขวบผมก็นอนอยู่ห้องแม่ครับบ้านของแม่จะมีประตูหลักอยู่สามบานไม่รวมห้องน้ําซึ่งจะมีประตูหน้าที่มีบานกระจกเล็กสี่เหลี่ยมเรียงกันเป็นแนว ขนาด3าคูณห้าเมตรประตูกลางสำหรับเข้าห้องนอนส่วนประตูด้านหลังพอเปิดออกไปก็จะเห็นวิวสวยๆจากทุ่งนาตอนนั้นผมกำลังนอนหลับอยู่ในห้องหันหัวไปทางประตูห้องนอนส่วนแม่ผมก็นั่งถักโคเชอยู่โดยหันหลังให้ประตูเช่นกันทันใดนั้นเองเสียงที่ประตูห้องนอนก็ดังขึ้น ปังเหมือนมีใครมาเตะประตูมันดังมากจนทำให้ผมตกใจสะดุ้งสุดตัวถึงขั้นที่มือและขาของผมชี้ขึ้นใบบนฟ้าห่าห่มปลิวเลยครับแม่ผมตะโกนร้องด้วยความตกใจถามผมว่าบูบูทิ่ประตูหรือเปล่าครับลูกผมตอบกลับไปแบบสลึมสลือว่าเปล่าครับแม่ แม่ก็เรียกผมมานอนใกล้ๆที่ตักแม่แล้วแม่ก็นั่งถักโคเชตต่อโดยไม่พูดอะไรจนผมหลับไปเวลาผ่านไปผมเรียนชั้นป .2 ออจบแล้วและกำลังอยู่ในช่วงปิดเทอมครอบครัวผมก็คิดว่าจะไปเที่ยวทะเลกันผมจึงรีบทําการบ้านปิดเทอมที่คุณครูได้สั่งไว้จะได้ไปเที่ยวแบบสบายใจวันนั้น ผมนั่งทำการบ้านอยู่ที่ห้องนอนของแม่คนเดียวในห้องนอนนั้นจะมีโต๊ะเขียนหนังสือซึ่งตั้งอยู่ติดกับประตูหลังส่วนประตูห้องนอนผมเปิดไว้เพื่อให้เห็นด้านหน้าว่ามีใครเดินผ่านมาไหมในขณะที่ผมกำลังนั่งทำการบ้านอยู่และกำลังขีดเส้นใต้เพื่อจบข้อสุดท้ายประตูด้านหลังที่ติดกับโต๊ะก็ดังขึ้น เป็นเสียงเหมือนกับครั้งก่อนปังผมตกใจจนร้องไห้ออกมาเสียงดังมากพี่ชายผมซึ่งกำลังช่วยพี่เลี้ยงเก็บของเตรียมไปเที่ยวก็วิ่งมาตามเสียงร้องของผมในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีพอพี่มาถึงก็ถามผมว่าเป็นอะไรแต่ยังไม่ทันที่ผมจะได้ตอบพอผมก็ตามพี่มาติดๆถามว่าเกิดอะไรขึ้น ผมก็อธิบายให้พ่อฟังพ่อจึงหันไปตบหัวของพี่เพื่อสั่งสอนเพราะคิดว่าพี่ชายเป็นคนแกล้งจากนั้นพ่อก็เดินออกจากห้องไปพี่ชายเอามือจับหัวตรงที่พ่อตกแล้วก็ทำหน้างงส่วนผมก็ขอโทษพี่ชายเพราะผมรู้ว่าไม่ใช่พี่แน่ๆถึงแม้ว่าปกติ พี่จะมีนิสัยขี้แกล้งก็ตามแต่จากประตูหลังห้องกว่าจะวิ่งอ้อมมาด้านหน้าได้มันต้องใช้เวลาพอสมควรซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากเมื่อแม่ได้รับรู้เรื่องราวจากพอ่อสักพักแม่ก็เดินเข้ามาอีกด้วยความฉุนเฉียวแล้วดาตะโกนเสียงดังว่าบุญกูก็ทำให้มึงแล้วมึงจะเอาอะไรอีก ถ้ามึงมารังแกลูกกูอีกกูจะสาปแช่งให้มึงไม่ได้ผุดได้เกิดเข้าใจนะพอพูดจบแม่ก็กอดผมกับพี่ชายแน่นจากนั้นพี่ชายก็ชวนผมไปเก็บเสือ้อผ้าหลังจากวันนั้นก็เหมือนกับว่าวิญญาณตนนั้นจะเชื่อฟังขึ้นมาบางเพราะผมไม่เคยเจอเรื่องอะไรแปลกๆมาอีกหลายปีจนผมอายุได้ประมาณสิบขวบ แม่ผมก็ตั้งท้องน้องสาวครับพอน้องคลอดออกมาเหตุการณ์ต่างๆในบ้านก็ยังคงเป็นปกติอยู่เหมือนเดิมจนอายุของน้องสาวได้สามสี่ขวบเป็นวัยที่กําลังสนวันหนึ่งแม่นำน้องไปนอนหลับที่บ้านไม้ที่พี่ชายเคยได้ยินเสียงของเด็กสาวนั้นแล้วพวกเราก็ไปนั่งผิงไฟปิ้งมันกินกันเป็นกลุ่มใหญ่ เพื่อสัมผัสถึงบรรยากาศหน้าหนาวให้เต็มอิ่มซึ่งระยะทางจากบ้านไม้จนมาถึงตรงที่พวกเรานั่งผิงไฟกันมันก็ไกลพอสมควรในขณะที่ทุกคนกำลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานจูจูน้องสาวผมก็เดินมาคนเดียวมืดๆผมเพ่งมองดูก็เห็นเหมือนกับว่าน้องจูงมือใครสักคนมาด้วยแต่ผมกลับมองไม่เห็นคนคนนั้น เมื่อแม่เห็นน้องก็ตกใจมากที่น้องเดินมาเองจึงถามไปว่าอา้าวน้องแพรมาได้ไงลูกเมื่อจะตายไม่กลัวผีหรอลูกปกติแล้วน้องแพระจะกลัวผีมากครับแต่แพรกลับบอกว่าไม่กลัวค่ะเพราะพี่สาวคนสวยมาส่งทุกคนหยุดกินมันปิงแล้วหันไปมองทางน้องแพรพร้อมกันหมด ก็เห็นเพียงแต่น้องแพรคนเดียวเท่านั้นในความมืดเมื่อน้องเดินเข้ามาใกลแม่ผมก็ถามถึงรูปร่างลักษณะของผู้หญิงคนนั้นว่าเป็นยังไงน้องแพรก็บอกว่าเป็นพี่ผู้หญิงสวยหน้าตาดีผมยาวปรบาบ่าเธอแต่งชุดไทยสวมสบายสีเขียวและมีจงกระเบนสีเหลืองพอน้องแพร บอกถึงรายละเอียดของเด็กผู้หญิงคนนั้นเสร็จยายผมก็พูดขึ้นมาทันทีเลยว่าป้าน้อยทุกคนตกใจในสิ่งที่ยายพูดเพราะว่าป้าน้อยคืออดีตเด็กสาวที่เสียชีวิตตรงลำธารที่ติดกับบ้านริมน้ำจริงๆตอนที่น้องแพรเดินมาคนเดียวมืดมดยายผมก็เห็นนะครับว่ามีใครเดินมาด้วยแต่ยายไม่ได้เอ่ยปากพูดออกมาเท่านั้น อาจจะเป็นเพราะว่ายายผมเป็นคนบุญเยอะเพราะทำบุญบ้านบ่อยครั้งก็ได้จึงเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นโดยที่คนอื่นไม่เห็นปัจจุบันนี้น้องสาวผมก็เหมือนจะมีสัมผัสพิเศษคือเห็นวิญญาณและมองเห็นวิญญาณนั้นเหมือนเป็นคนโดยปกติทั่วไปเลยซึ่งถ้าวิญญาณมาในรูปร่างลักษณะธรรมดาบางครั้ง น้องผมยังแยกไม่ออกด้วยซ้ำว่านั่นเป็นคนหรือเป็นผีพวกเราอาศัยอยู่ที่นี่ไปอีกไม่กี่ปีก็มีความจำเป็นต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นจึงทำให้วังแห่งนี้ถูกทิ้งร้างไปตั้งแต่ตอนที่ผมอายุได้สิบห้าปีแต่ก็ไปไปมามาอยู่บ่อยๆกลับมาเยี่ยมวังน้องแพร์บอกกับผมว่า ทุกครั้งที่กลับมาที่นี่เธอจะเห็นป้าน้อยซึ่งสวยมากและมักจะยืนอยู่ตรงรูปปั้นพระพิฆเนศแถวลานจอดรถเธอยืนอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคนนั้นเป็นใครแต่ทั้งคู่เรียกได้ว่าไปเป็นดาราพระเอกนางเอกได้สบายเลยทีเดียวผมจึงบอกกับน้องว่าป้าน้อยองคงกลายเป็นเทพ ปกปักรักษาวังแห่งนี้ไปแล้วนี่คือเรื่องราวของป้าน้อยที่เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในวังแห่งนี้มันยังคงมีเหตุการณ์อื่นๆอีกไว้ถ้าผมมีโอกาสจะกลับมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งปัจจุบันนี้ป้าน้อยก็ยังคงอยู่ที่วังนั้นต้องขอขอบคุณคุณบูด้วยนะครับ ที่ส่งเรื่องราวประสบการณ์ที่พบเจอมาให้แฟนๆสัมภาษสยองของเราได้รับฟังทางทีมงานของเราก็หวังว่าจะได้รับฟังผลงานเพลงของคุณบู่เร็วๆนี้เช่นกันนะครับ หัดส <See> mm ิย hmm. ง